เึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะอบรมจิตดวงนี้เหละยทั้งอบรมกายด้วยการงานทุกอย่าง ในโลกนี้สู้งานฝึกขนอบรม์จิตไม่ได้เพราะว่างานฝึกขนอบรมณจิตนี่เมื่อบุคคลมาฝึกขนจิตนี้ให้ดีได้แล้วมันก็มีความสุขไปงานอย่างอื่นนั้นถึงว่า จะทำให้เกิดดอกออกผลมากมายเท่าไหรถ้าหาว่าจิตดวงนี้ไม่ดีแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้เลยใครจะมีเงินมีทองเป็นกองคองก็จังแต่ถ้าหากว่าใจดวงนี้ไม่ตั้งมั่นไม่สงบไม่หนักแน่นแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้เลย ไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ฝึกจิตอันนี้ <c oughs> การฝึกจิตมันก็ต้องมีอุบายมีอุบายหลายอย่าง <c oughs> อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสพาสิตว้าวนั้น มันก็นล้วนจะเป็นอุบายมาฝึกกิจสอนจิตในทั้งนั้นอุปาณิยสิโลโกโ ล, โลกคือหมู่สัตว์อัญชะาต้นไปอยู่อัตุโวไม่ยั่งยืนอัตุโวไม่ยั่งยืนฮะ อนณะอิสโรไม่เป็นอิสระส่วนตัวนี่น <c oughs> เรียกว่าโลกคือมูสัตว์นี่นะเมื่อก็หมายเอาอัตภาพร่างกายของคนเรานี่เองเนี่ยแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วไอ้ความชราความขําคขาความทุชมมันไร ก็ น, นำไปอยู่เรื่อยไปมันมันเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรเลยอาตาโนโลโฟโลกไม่มีสิ่งไม่มีเครื่องต่อต้านเราจะเอาอำนาจบาทใหญ่อะไรมาต่อต้านไม่ให้ร่างกายนี่มันชุดโสมไปก็ไม่ได้เลยนี่แหละ แล้วก็ไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยก็ความมุ่งหมายของดวงจิตเนี่ยเมื่อได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้มีอายุยั่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันไปนู่นเลยไม่มีใครอ ย, อยากตายง่ายนะแต่แล้วมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้ มันก็ถูกความแก่ความเจ็บป่วยไขย้บีบคั้นเข้าไปเรย่ อ, อ, อยเอเด้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่ามันไม่เป็นอิสระแก่ตัวเลยอุนโอโลโกห์ hmm. no ว่าโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดมันพ่องอยู่จริงๆเนี่ยโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดก็ะหมายความว่าจิตใจของคนเรานี่แหละ มันอิ่มไม่เป็นมันหิวอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้จักอิ่มเรียกชือ่อว่ามันพองคือมันเหมือนอย่างน้ำอยู่ในองค์ในไหน้นี่มันซึมออกไปแล้วมันก็แห้งลงไปทีละน้อยละน้อยมันไม่เต็มสักทีใจของคนเรานี่ก็เหมือนกัน มันมันไม่เต็มด้วยความสุขสักทีนี่จะบกพรองความสุขอยู่อย่างนั้นสักดอยทุกคนมาเกิดขึ้นมาแทนไอ้ความสุขก็หายไปอา้าวเมื่อความทุกข์หายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนพอได้รับรสแห่งความสุขไปได้ พอสมควรเอ้าความสุขนั้นมากลับหายไปอีกแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยดังนั้นนาะยพระศาสดายึงตรัสว่าโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มมันอิ่มไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงรับทานอาหารอิ่มแล้ว ท่านไปไปทำการทำงานไปหนึหน่งพัดกลับหิวขึ้นมาแล้วหาเงินหาทองได้มาได้มาแล้วพอใช้ไปจายไปหมดไป ก, ก็อยากได้เงินขึ้นมาอีกแล้วต้องแสวงหา ได้อะไรต่ออะไรมาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปแล้วก็ต้องแสวงหาใหม่มาอีกอยู่อย่างนี้โลกอนิวัาสอันนี้เหตุดั น, นองค์เจ้าจึงว่าไม่รู้จักอิ่มนั่นนะมันอิ่มไม่เป็นเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนะถ้ามันเที่ยงได้อันใดมาแล้วมันก็ไม่ทูนไม่หายไม่บกพร่องนี่มันก็อิ่มและอ้ม มันก็อิ่มได้แต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้ น, นได้อันใดมาแล้วก็มีแต่สุดไปโสมไปว่าแท้ที่จริงแล้วได้อัตภาพร่างกายอันนี้มามันก็มีตั้งแต่สุดไปโรมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้เลยไม่มีอันมันจะแข็งแรงขึ้นไปข้างหน้านะ นี่แต่มันอ่อนแอไปเรื่อยๆไปก็ เ, เห็นได้อยู่ชัดๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรานี่มันจึงได้หิวความสุขอยู่เรื่อยไปเนื่องจากว่าร่างกายที่อันเป็นที่อาศัยนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังนั้นน่ะมันจึงมีหาความสุขสบายสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยออื ก็จึงหิวความสุขหรืออย่างนั้นอันมันโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาเกิดทุกขเวทนาขึ้นใจกดดิ้นอยากให้ได้สวยสุขขเวทนาเบื่อต่อทุกขเวทนาอันที่จิตใจมันดิ้นรมันดินอยากหาความสุขมันเบื่อต่อความทุกเบื่อต่อความทุกแต่ ไม่สามารถที่จะแก้ไขทุกข์นั่นได้ไม่สามารถจะรู้เท่าทุกข์นั่นได้เพราะฉะนั้นจิตมันจึงได้ดิ้นรนกวดแก่งไปมานี่ก็แสดงว่ามันได้ประสบความทุกข์แล้วมันก็อยากไปเสวงหาที่สุขสบาย ดิ้นไปเท่าไหรก็ยิ่งไม่มีความสุขเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกอุบายให้อย่าไปดิ้นทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็กำหนดรู้อยู่ตรงนั้นรู้เท่าทุกตามเป็นจริงรู้ว่าทุกนี่เป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่เรื่องของเรา ขันห้ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรูนไปกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่เมื่อจิตฉลาดมันก็กำหนดรู้ว่าขันห้ามมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่แปรผันนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันถึงได้มาแปรผันกระทบกับจิตคือความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ย จิตนีเมื่อรู้ว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วทุกทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของเราอีกแะบรแบบนี้นะมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของขันห้าไปทุกขเวทนาต่งางๆแเรากำหนดว่าเราเราไม่ได้มีทุกทุกไม่ได้มีอยู่ในเราทุกมันเป็นเรื่องของขันห้าทั้งห้าเมื่อตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าแล้วทุกก็ไม่ได้มีในตน เนี่ยมันเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็รู้เท่าทุกได้ตามเป็นจริงเมื่อมันรู้เท่าได้คิดก็ไม่วันไว้ไปตามทุกขเวทนานั้นนั้นอันนี้แหละการที่บุคคลจะพน้นจากทุกได้ก็ต้องมารู้เท่าทุกอก็ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยจิตให้วันไว้ไปตามการที่ไม่ปล่อยจิตให้วันไว้ไปตามนั่นนะแสดงว่าไม่ยึดมั่นในทุกนั่นนะถ้ายึดมั่นแล้วก็วันไว้ไปตามมันเป็นอย่างนั้นเอาให้สังเกตดูดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ ก็ให้เพึ่งเข้าใจอุบายวิธีรู้เท่าทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันมากับขันห้าเมื่อขันห้านี้มีอยู่ตราบใดทุกข์นี้ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นจิตนี้เมื่อยังมาอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดซึ่งจะไม่ให้ รับรู้กับความทุกข์กับความสุขนี่ไม่มีจะไปเกิดในทบใจชาติใดก็าตามขึ้นชื่วไปอาศัยอยู่หันห้านี้แล้วนะจะให้มันมีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไปทุกน้อยหนึ่งจะไม่มาสัมผัสกับจิตเลยอย่างนี้ไม่มีไม่มีในโลกไหนๆทั้งนั้นเลยให้เข้าใจกันอย่างนี้ เมื่อเราเข้าใจตามเปจริงอย่างนี้แล้วนั่นแหละก็จึงว่ามันจึงไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจึงอดได้ทนได้เมื่ออดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆได้อย่างนี้มันก็อดทนต่ออำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงได้เหมือนกัน คนเราที่จะเกิดความโกรธขึ้นอย่างนี้นะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาก่อนถ้าอดกั้นทนทานต่อเวทนานั้นได้ความโกรธมันก็รุนแรงไปไม่ได้มันก็ย่อมเบาบางลงลองสังเกตดูคนเราเนะี่ยเมื่อเวลามันโกรธขึ้นมาแล้วมันเกิดเวทนาขึ้นในกายในจิตนั่นเลย ถ้าผูใ้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็ไปเพ่งเวทนานั่นเลยบ้านี้กําหนดรู้เท่าเวทนานั้นตามเป็นจริงเนะความโกรธมันก็เบาบางลงเท่านั้นเองนมันจะไม่รุนแรงขึ้นมาอีกเลยเพราะนั้นไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พากันเอาใจใส่ให้ดีการภาวนาเนี่นะ อย่าว่านั่งไป น, น, นานๆหน่อยนี้เอาแล้วเกิดเวทนาขึ้นแล้วเวทนาทั้งทางกายเวทนาทั้งทางใจใจเมื่อสงบไม่ได้มันก็เกิดทุกขเวทนานั่นเองร่างกายเมื่อใจไม่สงบออร่างกายนี่ก็ปวนปัน่นใจปนปัน่นร่างกายนี่ก็ปนปั่นไปตามกัน นราเลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเมื่อไม่รู้เท่าเหตุต่างๆอันทําให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนั่นแล้วจิตมันก็ฟุ้งอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันสงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่อสู้กันไม่ต้องท้อถอย เมื่งภาวนาลงไปแล้วมันเจ็บมันปวดขอกําหนดใจให้มันแน่วแน่กําหนดใจไว้ให้มันแน่วแน่ให้มันเข้มแข็งเมื่อใจไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วต่อไปมันก็ค่อยเบาไปเบาไปไอความเจ็บปวดทุกเวทนาต่างมันเป็นอย่างนั้น เว้นเสียแต่ว่าผู้มีโรคภัยประจำตัวอันนั้นถ้าหากว่านั่งไปนานเข้าโรคมันกำเริบขึ้นอย่างแรงอนี้อันนั้นมันก็เหลือวิสัยอันนั้นตู้ไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าโรคภัยไม่กำเริบในร่างกายอันนี้กายนี้เป็นปกติธรรมดาอยู่เนี่ย มันพอระงับเบียนาได้สำหรับผู้ที่ทำใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานทำใจให้ตั้งมั่นไม่วันไหวเนี่ยเมื่อใจตั้งมั่นมานีไม่วันไหวแล้วทุกขสงอย่างมันก็ระงับไปเองมันไอ้ที่มันไม่ระงับลงได้ก็เพราะว่าใจนี่มันหวันไหวเืองมัน ให้พาการเข้าใจ <c oughs> นี่ยหละถ้าพูดไปพูดมาแล้วก็จึงว่ามันมันมารวมลงที่จิตตรงเดียวนี้นะถ้าทำจิตตรงนี้ให้สงบรั ง, งับลงไปได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงหมดเลยไม่มีอะไรนั่นแหละไม่มีอะไรจริงๆนะมีก็เหมือนไม่มี เพราะมันไม่มีผู้รับรู้นี่นะนันไม่มีผู้ยึดผู้ถือไอสังขารทั้งหลายเนะี่ยมันก็เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปตามเรื่องของมันนะถ้าจิตนี่ไม่เข้าไปยึดไปถือแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่นั้นผู้ที่สบทุ ก, ก็คือจิตที่ไม่รู้เท่านี้เท่านั้นแหละ ถ้าจิตนี้ไปรู้เท่าเสียแล้วจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ว่านี้นะนีแล้วสังขาร น, นามรูปต่างๆเหล่านี้มันก็แปรปวนแตกดับไปตามการตามเวลาของมันถึงเวลาแปรผันมันก็แปรไปถึงเวลาแตกดับมันก็แตกดับไป ใครๆจะไปห้ามพรา ม, มันก็ไม่ได้เนี่ยเราก็ภาวนากำหนดรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้ไปก็อย่าไปสำคัญว่าเราตายเราเจ็บเราปวดอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปสำคัญมันให้กำหนดรู้ว่าสังขารมันแปรปรวนมันกําลังจะแตกจะดับอยู่นี่ ให้กำหนดรู้เท่าอยู่เท่านี้เองนะอย่าไปให้ใจมันวิตกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไรหนาถึงจะหายอะไรสอนอะไมันวิตกววจารั์ไปอยู่งนะั้นถ้าหาว่าจิตนี่มันวิตกไปอยู่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนแหละจิตวันไหวไปมาหาความสุขสบายไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นพยงยามฝึกจิตตรงนี้นะฮะมันเข้มแข็ง้มันตั้งมั่นลงไปใช้ปัญญาสอนจิตตรงนี้ให้มันรู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ความจริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนี่นะ่ะมันไม่ฉลาด สอนตัวเองไม่ได้มีสำคัญอยู่ตรงนี้แต่ทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปลปูนไปตามเรื่องของมันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกกลับไปแต่การที่จะมีปัญญาสอนจิตให้ละอุปาทานละความยึดความถือต่างๆนี่นะมันไม่ค่อยมีปัญญาอย่างว่านี่นะนี่แหละมันบกทร่องอยู่ตรงนี้ ทุกคนขอให้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วอาศัยปัญญาน่ะสอนจิตดวงนี้เลยไปถ้ามันเดือดร้อนรุ่นวายกับเรื่องอะไรแล้วก็กำหนดใจให้ใหตั้งมั่นแล้วกับสอนใจตัวเอง เ, อเดือดร้อนเรื่องนั้นเดือดร้อนไปทำไมเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไป เราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราก็เมื่อไม่ใช่ของเรานั้นจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแหละตนเองหักสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันเมื่อสอนตัวเองได้อย่างนี้แล้วรับรองว่าใจไม่เป็นทุกข์แน่นอนนะ ออใจมันก็ปร่งก็วางไปตามเรื่องของมันนะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันไม่มีความเพียรอย่างว่านี้เรื่องมันนะเมื่อผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ดีบางคนก็ยังประมาทอยู่มากมายไม่ตั้งใจทําความเพียรจริงจังอื ไม่เอาจริงไม่พิจารณาจริงมันก็ไม่เห็นจริงไม่รู้จริงนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้จริงมันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องค้ำประกันอไม่มีเครื่องค้ำประกันไม่ให้จิตวันไหวการที่จิตไม่วันไหวก็เพราะมันมีความรู้จริงเป็นหลักประกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นพยายามทุกคนอย่าไปตีตนตายก่อนใครเพราะว่าความจริงมันมีให้เรารู้มีให้เราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าจิตนี่มันไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้น นี่สำคัญนะมันมันไม่ยอมรับก็เพราะว่ามันยังชอบใจกับสิ่งที่ไม่จริงไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะอะนี่สำคัญมากตรงนี้นะถ้าจิตนี่มันยังไปชอบกับสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่นั้นมันจะไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เลยเป็น อ, อย่างนั้นก็เมื่อจิตนี่มันไป พอใจก็ของไม่เที่ยงเมื่อของเหล่านั้นแปรปรวนไปจิตนี้ก็หวั่นไหวเป็นทุกข์เดือดร้อนไปแล้วมันจะมายอมรับความจริงได้อย่างไรจิตที่วุ่นวายหวั่นไหวไปอยู่อย่างนั้นน่ะอจิตที่มันจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อทำให้มันตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันนี้จริงๆเป็นอย่างนั้น ไม่วันไว้ต่อสุขไม่บันไว้ต่อทุกข์ไม่วันไว้ต่อความแปรปรวนของร่างกายสังขารต่างๆโมนี้นะเมื่อจิตไปวันไว้แล้วมันก็ยอมรับความจริงเหล่านั้นเลยวันนี้นะอ๋อสังขารร่างกายนี้มันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกขทนได้ยากจริงมันเป็นอนัตต า, าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรเลย อันนี้ก็เป็นความจริงถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับได้ที่มันแปรพรวนไปตามหน้าที่ของมันนี่มันบังคับไม่ได้นั่น น, <c oughs> นั่นแหละเป็นเครื่องที่บอกว่าไม่ใช่ของเรานี่เราก็มีอุบายเตือนใจสอนใจอยู่อย่างนี้นะ เมื่อเมื่อเตือนใจเข้าไปอย่างนี้ไตรลักษณญาณมันก็เจีมแจ้งในใจความไม่เที่ยงแห่งง้งขังคานมันก็มาปรากฏเจียมแจ้งอยู่ในใจนี่ความที่ขันห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันก็มาปรากฏอยู่ในใจนี้ความที่ขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของเขาของเราอะไรเลย มันก็มาปรากฏอยู่ในใจนี้ตกลงว่านานทั้งสามนี่นะ่ะเมื่อปรากฏอยู่ในจิตใจของเรามีเมื่อปรากฏอยู่ในจิตใจของผู้ฝึกให้ตั้งมั่นลงไปหมายเขา้ามาอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลอะไรเลยว่าเอ๊ะทาไมเราไม่รู้จริง อย่างนี้นะไปวิจกวิจาร์อย่างนี้ไม่ไม่ควรจะไปวิจกอย่างนั้นแต่ที่ไม่รู้จริงก็เพราะไม่ได้ทำจิตได้ตั้งมัน่นอย่าไปทิ้งหลักนี้ถ้าผู้ใดทำจิตได้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วผู้นั้นต้องรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี้แน่นอนเลยทีเดียว <c oughs> ดังนั้นทำอย่างไรอ่ะ จิตใจนี่มันจะสงบสงบจากอารมณ์ต่างๆจะเป็นกลางลงไปได้แล้วก็เอาและเพ่งเข้าไปอไม่ต้องยินดีในเวลาทุกขวเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจในเวลาทุกขวเวทนาเกิดขึ้นเพ่งให้รู้เท่าทุกขรู้เท่าทุกขอยู่อย่างนี้ตามธรรมดา เมื่อรู้เท่าทุกรู้เท่าทุกอยู่อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลางได้นั่นเอถ้าไม่รู้เท่าทั้งสองอย่างนี้แล้วจิตเป็นกลางไม่ได้เลยความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่เป็นจุดสำคัญ น, ะนั่นเองนังนั้นกลัวว่ามันจะทำจิตให้เป็นกลาง วางใจให้เป็นหนึ่งได้มันต้องผ่านการอบรมออ ม, มันต้องมีอุบายแยบคลายในใจมาโดยลําดับดังที่อธิบายให้ฟังมานี่ล้วนแต่เป็นอุบายแยบคลายทั้งนั้นเลอให้เพึ่งพากันจําเอาไว้แล้วไปสอนใจตัวเองเข้าไปอืสอนเข้าไปให้มันรู้ขวามมุ่งหมายมันรู้เท่านั้นเองนะ รู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือรู้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เท่าทุกข์ไม่ยึดถือเอาทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนเมื่อสุขเกิดขึ้นก็รู้เท่าสุขไม่ยึดถือเอาความสุขนั้นมาเป็นตัวเป็นตนไม่สำคัญว่าเราเป็นสุขในขณะนี้เน่ะอย่างนี้นะ คันว่าทุกเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ยอมดับไปนี่เราเรากําหนดรู้เท่าไว้เลยมันก็เป็นความจริงนี่ไอความสุขที่เกิดจากสัมผัสนี่ไม่ยั่งยืนจริงๆนะไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวเดียวก็แปลผันเป็นทุกข์ไปอย่างนี้นะดังนั้นเราก็กําหนดรู้เท่าทั้งสุครู้เท่าทั้งทุกดังกล่าวมานี้ แล้วทำจิตได้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงไปบาเพ็ญภาวนาเนี่ยเอาอยู่อย่างนี้แหละอยา่าไปหนีหลักหมู่นี้เลยถ้าไปหนีหลักหมู่นี้แล้วมันมันหลงอะเพราะว่า เ, เรื่องสุขเรื่องทุกข์ในจิตใจมันสัมผัสจยุดเสมอเสมอไป บนี้เมื่อเราเจริญปัญญาเข้าไว้มากๆเข้ า, าไปแล้วมันรู้แจ้งามเป็นจริงแล้วบาี้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าจิตนี้รู้สึกว่าเป็นกลางบารินั่นแหละไม่เอียงไปข้างสุขไม่เอียงไปข้างทุกข์เลยรู้สึกว่าเป็นกลางอยู่ได้นีนะ่นี่ให้มันให้มันรู้อย่างนี้นะให้มันเกิดความรู้ามเป็นจริงอย่างนี้แล้วนั้นแหละได้ชือว่า เป็นผู้ปฏิบัติมุ่งต่อทรรมของจริงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้